ขอข อ, อนอบน้อมคุณพระรันตนตรัยขอากาศพระจันทร์ทรงศิลปพระจันร์พัฒนาชัยแล้วก็เพื่อนจะทำให้ทุกท่านนะอืมเจริญพรธรรมเนนแม่ชีเนาะแล้วก็จติยธรรมทุกคน <c oughs> นั่งกันตามสบายเนาะส่วนใหญ่ก็มีแต่สีน้ำตาลกับสีขาว <c oughs> พระกสีน้ำตาลนะเมชียติธรรมหลายคนก็สีขาวน ะ, ะก็คื อ, อสีแห่งพระธรรมเท่าทนั้นน ะ, นะเป็นสัญลักษณ์ของการของผู้ที่มาบวชก็ดีนะหรือสัญลักษณ์ของผู้ที่มาถือศีลอยู่วัดก็ดีน ะ, นะแต่การมาอยู่วัดนะ ความมาจริงๆก็คือมาอยู่นะเพื่อการศึกษาตัวเองนะเรามาอยู่เพื่อการศึกษานะเหมือนนักเรียนนะเขาเข้าโรงเรียนเขาก็มีเครื่องแบบเครื่องแบบโรงเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมมหาลัยก็ก็มีเครื่องแบบนะเรียนนะความรู้นะเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ เพื่อทำงานนะหรือว่ารู้เอาไว้ประดับประดับสมองประดับสติปัญญาไว้ <c oughs> เรามาอยู่วัดก็เหมือนมาเรียนเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนนะ <c oughs> ความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านก็บอกพวกเราไว้แล้วก็มาเรียนตามท่านเนา ะ, นะ <c oughs> พระเจ้าท่านสอนให้เรากลับมาเรียนนะ เรื่องของตัวเราเองเนี่ยแหละนะคือตอนเราเป็นเด็กตอนเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไปเรียนเรื่องข้างนอกซะเยอะเราก็เลยรู้เรื่องข้างนอกค่อนข้างดีนะในสิ่งที่เราได้เรียนมาแต่เรื่องของตัวเราเองเนี่ยแหละเราไม่รู้จักนะถามว่านะเรารู้จักร่างกายรู้จักจิตใจของเราดีแล้วหรือยังนะ เรารู้จักเขาไหมนะมาเกิดอะไรขึ้นในกายในใจเนะนี้ยนะเราสามารถที่จะดูแลกายดูแลใจของตัวเองได้จริ ง, รงๆหรือเปล่านะการมาเรียนรู้ธรรมะก็คือมาเรียนรู้เรื่องกายใจของเราหนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับกายใจนี้นะอย่างไม่ทุกอันนี้คือการเรียนธรรมะนะโดยย่อจริงๆพระเจ้าท่านสอนให้กลับมาเรียนรู้รู้จักตนเองเนะ ถ้าเราเรียนรู้จักตนเองจริงๆนะเราก็จะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจนะใจเราก็จะไม่ยึดถือก็จะไม่ทุกขนะ์เครื่องมือที่จะทำให้เราเรียนรู้จากตนเองจริงๆนะคือการมีสติเนี่ยแหละนะนะหลายคนอยู่วัดมานานก็คงได้ยินจนเรียกว่านะทุกวันทุกวันเนาะคุยเรื่องสตินะแต่เราถามตัวเองดูว่า จริงๆเรามีเรามีสติจริงหรือเปล่าถ้าเรามีสติจริงนะจิตใจมันต้องทุกน้อยลงนะชัดเจนนะถ้าเรามีสติจริงเนี่ยความโกรธความอยากความหลงความเศร้านะความกังวลต่างๆเนี่ยอืเราต้องเห็นมันแล้วก็ไม่เป็นกำมันนะ แม้อาจจะไม่ได้ทุกครั้งแต่ต้องเห็นมันบ่อยขึ้นนะนะแล้วก็หลุดออกมันได้บ่อยขึ้นนะมันถึงจะเรียกว่ามีสติจริงๆนะนะแต่ถ้าเรานะอยู่วัดเราฝึกหัดก็จริงนะแต่เมื่อนะมันกังวลใจเนาะเราก็เป็นทุกข์เดือดร่ําไปนะมาเกิดกิเลสนะความอยากขึ้นนะ แล้วก็แพ้มันทุกทีนะไหลไปกับมันทุกทีนะเมื่อเกิดความไม่พอใจก็ก่อไปเกิดความโกรธขึ้นทุกทีเลยอันนี้แสงว่ามันยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะเราจะทําไงถึงเราถึงจะก้าวหน้าในการภาวนาสิ่งสิ่งแรกที่สําคัญเลยนะต้องต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะรู้สึกตัวให้ถูก รือแบบไหนนะดูตอนเนี้ยเราทำอะไรดูอะไรนะนั่งก็แค่รู้สึกนะพลิกมือเน่ก็แค่แค่รู้สึกนะไม่ได้อะไรแค่รู้สึกนะนะจะทาอะไรก็แค่รู้สึกรู้สึกในตอนนี้นะรู้สึกตัวแบบนะ ตอนนี้ทันทีเลยนะตอนเนี้ยทําอะไรรู้สึกทันทีเลยนะถ้าเรารู้สึกกายเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะเราทําอะไรเนะี่ยรู้สึกนะไม่มีความคิดนะไม่มีภาษาถ้ายังแบบมีว่ายังมีมือนะยังมีเท้ายังมีการพลิกจะมีอะไรต่างๆเนะี่ยมันยังใช้ภาษาอยู่นะ รู้สึกเฉยๆเนี่ยนะรนุ่นๆนะเป็นปัจจุบันธรรมนะรู้สึกใหม่ๆทันทีเลยนะเหมือนกับอาหารออกมาจากเตาทันทีนะใหม่ๆตรงที่ตอนนี้นะอืมไม่ต้องไปเรียกชื่อมันว่าเป็นอะไรนะถ้าเรายังไปเรียกชื่อมันว่ามันเป็นอะไรอยู่เน่ะมันยังไม่ใช่รู้สึกตัวจริงๆเนาะนะแต่มันยังมีสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราพยายามเน่ยแค่รู้สึก รู้สึกแต่รู้สึกแล้วก็ต้องทิ้งนะรู้สึกแล้วก็จบรู้สึกใหม่จบรู้สึกไม่จบอนะเราพลิกมือก็เพื่อแค่พลิกมือเฉยๆไม่ได้เอาอะไรนะยกก็เพื่อแค่ยกวางก็แค่วางนะถ้าเราตั้งใจทํานะใจมันจะอยู่กับตรงนั้นเมื่อใจอยู่กับตรงนั้นนะ่ะมันก็เหลือแค่ความรู้สึกตัวดนดวนนะ ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะไม่ต้องไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าการแค่รู้นะถ้าเราทำอะไรมากกว่าการแค่รู้เนี่ยนะมันมันผิด น, น, น, นะนะพวกเจ้าท่านสอนแค่รู้นะนะเดินก็รู้นะยืนก็รู้นั่งก็รู้กินก็รู้นะบางทีพูดว่ารู้ว่าเดินอันนี้ก็ยังมากไปนะนะแค่รู้นะรู้สิ่งที่ทำนะ ไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายนะถ้าเรารู้เฉยๆนนนะรู้กายตรงที่ปัจจุบันนะเห็นกายมันทำนะใจแค่รู้แต่ถ้าอันนี้คือความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นนะจากฐานกายจะรูปแบบใดก็ได้นะแต่ถ้าแบบหลงพ่อเทียนอืเคลื่อนนะรู้สึกยกรู้สึกกระทบรู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดรู้สึกนะ แค่รู้นะอันนี้คือรู้สึกที่กายแต่ถ้ารู้สึกที่ใจนะมันจะเมื่อกี้นะมันจะเป็นเหมือนรู้แบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันคิดอ่ามันรู้สึกปุ๊บเนี่ยความคิดมันจบเมื่อกี้มันโกรธนะเห็นนะเห็นว่าเมื่อกี้มันโกรธน่ะความโกรธมันยังจบแต่ถ้าเมื่อกี้มันคิดแต่มันก็ยังคิดอยู่เนี่ย เหมือนว่ารู้เนี่ยไม่ใช่นะถ้ารู้จริงๆเนี่ยดูปุ๊บนะความคิดก็จบนะรู้ปุ๊บนะความไม่พอใจก็จบรู้ปุ๊บนะความอยากก็จบไม่ใช่ถ้ารู้ไปด้วยอยากไปด้วยนะถ้ารู้ไปด้วยยังคิดไปด้วยนี่ยังไม่ใช่นะแต่ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บนะมันก็จบนะมันจะรู้สึกอะไรเมื่อกี้เน่ะจิตมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ที่จริง ถ้าจะถูกกว่าก็คือไม่ต้องไปเรียกก็ได้มั น, มนชื่ออะไรนะแค่รู้สึกว่าเมื่อกี้นะ่ะมันมันมีอะไรเกิดขึ้นนะในใจนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกนะ่ะเห็นนะก็สักแต่ว่าเห็นนะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นนะได้ริมริมรสนะก็สักแต่ว่านะรู้รส กายสัมผัสก็สักแต่ว่าเนี่ยกายสัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าได้สัมผัสเนี่ยแหละใจคิดนึกนะก็สักแต่ว่าอ่ามันคิดนึกคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปดูว่าตาเห็นรูปเนี่ยมันเห็นเป็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงท่าไม่ได้สอนว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงอะไรอ่ะเสียงนกเสียงหมาเสียงอะไรนะใจก็เหมือนกันใจมันคิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า มันคิดอะไรนะมันคิดดีคิดไม่ดีนะมันโกรธมันอยากไม่ต้องไปไปมากกว่านั้นถ้าเราแค่รู้ว่าตอนเนี้ยตามันเกิดการเห็นใจเกิดการคิดนะหูเกิดการได้ยินถ้าจบแค่นี้น ะ, ะก็สักแต่ว่ารู้แหละง่ายมากนะแต่บางทีมันไม่สักแต่ว่าแค่รู้นะมันไหลไปก่อนนะมันไหลแวบออกไป ไหลไปมองนะไปเห็นแล้วนะแล้วก็แค่อ๋อเมื่อกี้มันไหลไปมองเมื่อกี้มันไหลไปมองมันจะเกิดความสติขึ้นมาเห็นว่าเมื่อกี้ใจมันใจมันเป็นสนใจนะรูปที่อยู่ข้างหน้ามันจะเกิดสติขึ้นมาหรือบางทีเราไปอยู่ในความคิดขอตัวตัวอิเมื่อกี้มันคิดมันจะสะดุ้งกลับมาเห็นว่าอ๋อเมื่อกี้มันคิดเมื่อกี้เราไปจมนะ อยู่กับความสุขอืพอเราก็มาเห็นโอ้อเมื่อกี้มันสุขเราจมอยู่กับความสุขเนาะอันเนี้ยคือการฝึกความรู้สึกตัวนะะฝึกความรู้สึกตัวเนะี่ยถ้าเรารู้สึกที่กายเนี่ยรู้ทันทีนะรู้ทำอะไรก็รู้ทันทีน ะ, ะ ไ, นนะไม่ต้องไปเรียกว่ามันคืออะไรนะแต่บางทีก็เรียกให้เข้าใจกันโดยสมมติเฉยๆนะแต่ถ้ารู้เฉยๆเนะี่ยมันก็เป็นแค่แ ค, แค่กาย แค่รูปที่มันทำแล้วก็ฝึกความรู้สึกตัวกับการรู้ทันใจนะใจเมื่อกี้มันคิดใจเมื่อกี้มันเกิดอารมณ์แค่นี้แหละนะไม่ต้องไปอะไรไปมากกว่านั้นนะถ้าเรารู้แค่นี้นะมันจะเป็นการเรียกว่านะเราจะรู้จักคำว่ารู้สึกตัวนะเมื่อเรารู้จักคาว่ารู้สึกตัวนะจริงๆเนะอ่านะมันก็ครันี้ก็เป็นเรื่องของการที่เรียกว่า นะขยันทํานำะขยันทําขยันทําเหตนะุเราสร้างจังหวะเราเดินอย่างคงก็คือเมื่อเราต้สึกตัวไปแล้วก็ขยันเหมือนเราอ่านหนังสือไปแล้วก็ขยันอ่านนะฮะไม่ใช่อ่านอ่านหนังสือออกแล้วแต่ไม่เอาความขยันไปอ่านมันก็ไม่เกิดความรู้ใช่ไหมอืมทํางานเป็นแล้วอนะแต่ไม่เอา ร่างกายไม่เอาเวลาไปทำงานมันก็ไม่ได้งานไม่ได้เงินรู้สึกตัวเป็นแล้วก็เหมือนกันก็ต้องขยันนะขยันนะสร้างจังหวะขยันเดินจงกรมรวมถึงขยันรู้สึกตัวในอิเดียบทย่อยๆนะทุกอย่างนะขยันอืก็แค่รู้สึกทำอะไรก็รู้สึกไปรู้สึกไปแต่ไม่ได้ไปจ้องที่ส่วนใด น, นะก็ทำรู้สึกทำรู้สึกนไเนียนะ้ย ใจจะคิดก็ไม่ได้ห้ามนะมันคิดก็ได้คิดก็แค่รูนะ้มันไม่คิดก็รู้กายมันคิดก็รู้นะถ้ามันเด่นเราก็รู้ใจอันนี้เรียกว่าขยันนะถ้าเราขยันรู้สึกตัวนะนะพอขยันรู้สึกตัวเยอะๆครนี้ <c oughs> จิตใจมันจะตั้งมั่นมากขึ้นความรู้สึกตัวมันจะตั้งตั้งมั่นในใจนะพอรู้สึกตัวตั้งมั่นที่ใจเนะี่ย ความเกิดความมั่นคงในใจเมื่อมันไหลปุ๊บนะมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นเมื่อมันหลงปุ๊บนะมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นหรือไม่แต่การรู้นะการรู้กาย ก, ายก็ดีนะมันจะเป็นสิ่งที่เกิดการแยกให้เราเห็นชัดขึ้นว่าองคกายมันก็ส่วนหนึ่งใจที่รู้นะ่ะก็ส่วนหนึ่งน ะ, น, นะคือกันนะต้องเริ่มฝึกมันไม่ใช่ว่า เอาใจไปจมอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นแนบไปเกาะนะมันแค่รู้สึกเหมือนแตะนิดนึงดูละดูละดูละดูแล้วก็ทิ้งนะมันจะเป็นฝึกการแยกว่าอ๋อกายมันเคลื่อนกายมันทำอะไรก็แล้วแต่นะมีใจที่รู้ทีละขณะแล้วก็มันจะเห็นว่าอ๋อเมื่อกี้ใจมันเกิดความรู้สึกเกิดความคิดขึ้นมา มันก็จะมีใจที่รู้สึกใจที่ดูมาคอยตามรู้อีกทีหนึ่งมันจะเป็นคนละส่วนกันมันจะเริ่มฝึกว่าเออแยกแยกสติแยกผู้รู้ออกมาเป็นผู้รู้กายเป็นผู้รู้ใจนะเนะี่ยมันจะเห็นอ้ออาการพวกนี้เนาะมันเป็นอาการของกายอาการของใจนะเราดูกายมันเคลื่อนไหวดูกายมันทำอะไรเรื่อยๆนะเกิดกายมันเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาเราก็จะเห็นอ้อมันเกิดแต่กับกายเนาะนะ เราออกมาเป็นผู้ดูแล้วมันก็มันก็ปวดจริงนะแต่มันเป็นกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดใจที่คิดมันก็คิดจริงแต่มันเป็นเรื่องของใจที่คิดไม่ใช่เราคิดใจที่โกรธอ่ะก็เกิดขึ้นจริงนะแต่มันเรื่องเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันจะมีอ๋อมันมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นเป็นเรานะ เป็นเราที่รู้มันยังมีความรู้สึกความสำคัญมั่นหมายว่าเออตัวเราจริงๆอ่คือตัวสภาวะที่รู้มันเป็นตัวสติวิญญาณนะวิญญาณการรับรู้เป็นตัวสติที่เข้าไปรับรู้อาการของกายอาการของใจนะมันจะเกิดสติที่มันตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นอาการของรูปอาการของนามนะ เป็นเรื่องทุกข์ของรูปนะเป็นเรื่องทุกข์ของนามนะมันจะความรู้สึกสิ่งที่ถูกรู้หร wow. ือความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกหาออกมามันไม่ใช่เราเริ่มเห็นละออร่างกายไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่เราความปวดเมื่อยต่างๆมันไม่ใช่เรามันจะเริ่มเริ่มเห็นละอ๋อมันจะเริ่มเกิดการตื่นตัวขึ้นมาน่ะตื่นขึ้นมานะมันก็จะเริ่มเข้าใจออ มันก็แค่ทำแค่นี้นะทำแค่นี้แหละแต่มันก็ต้องอาศัยการแบบสะสมเนาะความขยันทำไปเรื่อยๆนะมันก็จะเห็นความหลงเห็นความไม่รู้หรือว่าเห็นความเข้าใจผิดนะนึกว่าเข้าใจถูกแล้วนะเห็นไปเรื่อยอ๋อมันก็ยังใจยังไม่เป็นกลางจริงๆเนาะมันยังเจอได้ความชอบยังเจอได้ความไม่ชอบนะ มันยังเจือด้วยความอยากจะเอามันเจือด้วยความไม่อยากเอาอยู่เนาะอารมณ์ไม่ดีความทุกข์ก็ไม่อยากเอาสติบางทีก็ลงไปเอานะลงไปยึดมันอแต่จริงเป็นการรู้แล้วก็วางนะรู้ทิ้งถ้าเรารู้ทิ้งเนี่ยมันจะสบายนะรู้แล้วก็จบนะมันไม่รู้ก็แค่รู้ว่าไม่รู้มันก็จบนะแต่ถ้ามันไม่รู้หรอกมันทําไมมันไม่รู้นะ เราไม่ดีเลยที่มันไม่รู้เนี่ยมันไม่จบง่ายๆนะมันปรุงแต่งไปอนะ่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็จบนะก็รู้่าไม่รู้ <c oughs> แล้วก็รู้ใหม่นะทำอะไรก็รู้ใหม่ไปแต่รู้แล้วก็ทิ้งเหมือนกันนะทังนั้นไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ทิ้งอ่านะทิ้งกลับมารูใหม่นะในสิ่งที่เราทำอนะ่ก็แค่นั้นนะแล้วก็ทำไปนะมันก็ทำไปเรื่อยๆนะปัญญามก็จะค่อยๆเห็นว่าอออนะ จิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะร่างกายมันก็เปลี่ยนเออมันบังคับไม่ได้นะอจะเลือกคิดดีคิดไม่ดีเอก็เลือกไม่ได้มันเป็นของมันเองนะมันจะเห็นโอ้จิตใจมันเป็นของมันเองนะร่างกายมันก็เป็นของมันเองนะมันจะทุกข์ก็ทุกข์ของมันเองนะที่จริงมันจะหายทุกข์ก็หายทุกข์ของมันเองนะ มันจะคิดก็คิดของมันเองนะมันจะหยุดคิดก็หยุดของมันเองนะไม่ใช่เรานะเนี่เราก็อืมมันเป็นมันเป็นเรื่องของมันนะอ่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราจะฝึกดูนะดูแบบไม่ต้องเข้าไปจัดการกับอารมณ์อ่เราไม่ใช่นักไปจัดการนะเราเป็นเพียงแค่นักดูจะเรียกว่าเป็นผู้ดูก็ได้นะเป็นผู้สังเกตการไม่ต้องเข้าไปจัดการไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น เราแค่ดูเฉยๆนี่แหละมันสบายที่สุดถ้าเราต้องเข้าไปจัดการเนี่ยโอ้มันยุ่งอันนี้ดีจะเอาอันนี้ไม่ดีไม่เอาอะนะอ่าอนาคตแบบไหนมันดีอยากจะดึงเอามาเอ่อเคนตัวเองเอาให้มันได้เอาให้มันได้ไดแต่จริงภาวนาถ้ามันจะง่ายเนี่ยต้องทําแบบไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นอ่าไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะเป็นอะไรนะเอ่า ถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องเป็นอะไรให้ได้เนี่ยโอ้ oh. มันจะเครียดมากนะมีนักปฏิบัติเมื่อกี้ไปสอนที่กรุงเทพนะเจ็ดวันเขาบอกอเขาก็เล่าประสบการณ์ที่เขาไปฏิบัติตอนแรกแรกไม่ใช่กับอาตมานะปฏนบัติที่อื่นเขาบอกครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าเนี่ยในคอร์สเนี่ยนะท่านตั้งหอนใจว่าจะมีคนในคนนึงในกลุ่มนี้นะจะได้เป็นอัจริยะบคุคคล ยงคนนี้นนะเป็นยงผู้หญิงก็ก็คิดในใจเนะี่ยกูนี่แหละคิดในใจนะพอปฏิบัติก็เอาจริงอาจังไม่พักเลยเอาเต็มที่เอาเต็มที่นะพอถึงไม่รู้กี่วันเขาก็ไม่เล่านะพอถึงว่าไม่กี่วันคนนี้ขยับตัวไม่ได้เลยนะนั่งนิ่งๆขยับไม่ได้เลยนะคือมันเค้นตัวเองมากว่ากูเนะี่แหจะต้องบรรลุทําให้ได้ ผู้นี่ยแหละนะจะเป็นอนุญา บ, บุคคลนะที่สลงพ่อบอเนี่ยนะนะเราเนี่แหละจะเป็นนะพอทำแบบนี้นนะตึงเลยปุ่มขยับไม่ได้จนคือว่าอาจารย์เขบอกเลิกปฏิบัติก่อนเลิกปฏิบัติก่อนเขาก็บอกต้องเลิกแบบนานเป็นหลายเดือนเลยนะถึงปฏิบัติได้เพราะทําไม่กี่วันนะแต่พอทําตึงตึงมากๆเลยโอ้มันแบบเครียดมากแล้วก็เครียดทั้งกายเคยทั้งใจนะจะเอาให้ได้ อนั้นถ้ามันเห็นมันเป็นทุกข์เนี่ยที่จริงปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะถ้าเราทําตัวเองให้ทุกข์ตอนเนี้ยก็ถือว่าปฏิบัติผิดแล้วนะออถ้าเราทํากายให้มันทุกข์เนี่ยไม่ใช่ละแต่ถ้ากายมันทุกข์เองเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมกายมันทุกข์เพราะความปวดเมื่อยกายมันทุกข์เพราะความหิวกายมันทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจอ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่อง มันมันธรรมชาตินะแต่ถ้าเราทํากายให้มันทุกเนี่ยนะไปจริงจังไปเคร่งเครียดนะไปกดขม่มร่างกายนะเค้นนอนะนะไม่พักไม่ผ่อนเลยเนี่ยทํากายให้มันทุกเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะอนะ่ทําใจให้มันทุกเองก็เหมือนกันนะใจต้องสบายๆนะรู้แบบสบายๆนะรู้แบบผ่อนคลาย เอต้องรู้แบบผ่อนคลายนะนะถ้าเราไม่รู้แบบผ่อนคลายเนี่ยไม่ใช่การภาวนา<ม>หลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาท่านเคยสอนอาจารย์ซูมเมโตนะอาจารย์ซูมเมโตเป็นนูกศิษย์ฝรั่งรุ่นแรกของหลวงพ่อชาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านพูดเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะแต่ท่านสอนหลวงพ่ออาจารย์ซูมเมโตของสอนฝรั่งก็ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษท่านบอกว่าการภาวนาคือ ฮอลิเดย์ออนเดอะคือาการภาวนาจริงๆคือมันเป็นการพักผนะ่อนเป็นวันพักผ่อนของใจ <c ười> คือใจพักผนะ่อนนภาวนาจริงคือการให้ใจได้รู้จักกับการพักผ่อนใจมันไม่พักผ่อนคืออะไรมันคิดนั่นแหละ <c ười> ใจไม่พักผ่อนคืออะไรมันอยากนั่นแหละใจไม่ได้พักผ่อนคืออะไร มันเครียดมันทุกข์นั่นแหละจริงภาวนาจริงคือวางนะวางความคิดกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัววางความอยากกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัววางอดีตวางอนาคตกลับมาอยู่รู้สึกตัวที่ปัจจุบันนะเนี่ยทำทาแค่นี้นะมันเหมือนได้พักสมองได้พักจิตใจได้พัก ร่างกายได้พักนะพักแบบผ่อนคลายนะเดินก็เดินผ่อนคลายยกมือก็ยกอย่างผ่อนคลายกินก็กินอย่างผ่อนคลายทำงานก็เหมือนกันนะทำด้วยความผ่อนคลายบางทีบางคนอยากปฏิบัติธรรมมากเนาะรีบกินข้าวให้มันเสร็จเร็วๆจะได้ไปเดินจงกรมเห็น ไ, ไหมหรือบางทีเราทำงานเนาะนะรีบทำงานให้มันเสร็จนะ่ะ เจะได้ไปปฏิบัติธรรมอะเงี้อืมอม่นี่บางทีเัี๋วเราจะเดียรีบเดินให้ไปถึงทางจงกรมเร็วๆนะจะได้ไปเดินจงกรมทั้นทั้งที่จริงจากกุติไปทางจงกรมก็คือการเดินจงกรมนั่นแหละใช่ไหมที่จริงถ้าเราทางานนะไม่ต้องเค้นไม่ต้องรีบนะก็ทำไปเรื่อยๆนะอ่าไม่ต้องรีบนะแต่ก็ไม่ใช่ออยนะไม่ใช่เฉยนะทาไปนะ เป็นการพักผ่อนเป็นในตัวแล้วก็เป็นการรู้สึกตัวเป็นในตัวอันนี้คือการภาวนาเนะาะภาวนาต้องทำตอนนี้แหละให้มันไม่ทุกข์อย่าไปคิดว่าทำให้มันทุกข์สุดๆเข่งเครียดจริงจังเอาจริงเอาจังมันจะพ้นทุกข์เพราะพระุทธเจ้าท่านทำให้เราดูแล้วใช่ไหมอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายทรมานจิตใจ ก็แบบนี้แหละทําด้วยความเคร่งเครียดตึงนะอยากจะพ้นทุกขนะ์ท่านก็ทําให้เราดูแล้วมันไม่ใช่ทางนะท่านก็สอนเราแล้วมันไม่ใช่นะต้องทํานะแล้วก็ไม่ทุกข์ตอนนี้แหละนะไม่ใช่ว่าทําให้มันทุกข์ทุกข์ทำมัสุดๆเดี๋ยวมันจะหายทุกข์เองไม่ใช่นะต้องภาวนาต้องไม่ทุกข์ตอนนี้นะไม่ทุกข์ตอนนี้นะก็พอแล้วนะยืด เนะีเอาแค่ปัจจุบันทีละขนาดนะแต่ไม่ใช่คนี้เกียดนะก็ขยันทางเหตุขยันรู้สึกตัวไปเรื่อยแต่รู้แบบรู้แบบไม่ทุกข์รู้แบบผ่อนคลายรู้แล้วก็ทิ้งนะดื่มไปหลงไปอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ก็เอาใหม่เอะถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่เคร่งเครียดนะเหมือนอ่ะผิดแล้วก็ผิดไปอ่ะตั้งใหม่ง่ายนะแต่ถ้าเราเครงเครียดอ่นะโอ้โหผิดแล้วไม่ดี แย่โมโหตัวเองนะมันจะเรื ana, ่องราวมันเยอะมากเลยผิดไดแล้วก็อะเอาใหม่ใช่ัหมเหมือนเรากินข้าวหกนะถ้ามันหกไปแล้วไงก็เก็บจบไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะไปไม่ดีไปนั่นนี่นะมันมันยุ่งนะทําตัวง่ายๆทําตัวอย่ายุ่งนะมุ่งไปสู่แค่นะทําความรู้สึกตัวอย่างเดียวอันนะความรู้สึกตัวมันจะเป็น ตัวตั้งต้นในการปฏิบัติธรรมนะเราต้องจับไอตัวรู้สึกตัวให้มันชัดๆแต่จับแบบทิ้งนะไม่ใช่แบบจับไปยึดอะไรนะสร้างรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นแต่ในขณะที่ภาวนามันก็จะมีตัวหลงหลงนะเป็นบางทีเป็นอารมณ์ของสมาธิก็มีนะพอจิตมันเดิมมีสมาธิมากขึ้นนะบางทีตัววิตกวิจารณ์ ไอตัวที่มักทักว่าเอ๊ะอันนี้คืออันนี้นะเรียกชื่อมันนะอ่าิเคราะห์มันว่าอันนี้คืออะไรนะอันเนี้ยไอตัววิตกวิจามันจะเข้ามาเนี่ยอ่ารู้มันนะแล้วก็ทิ้งนะหรือบางทีมันก็ไปนะเทียบเคียงในทฤษฎีที่เคยฟังเคยอ่านมาใช่หรือเปล่านะอันเนี้ยมันจะเข้ามานะอ่ะ มันเป็นอารมณ์นะที่กําลังน่คอเคียในธรรมนี่ก็ไม่ใช่นะถ้าเป็นแบบนี้เออเอกนะเอะใจเลยว่าเออมันไม่ใช่ละถ้ารู้แบบคิดแบบเนี้ยไม่ใช่ถ้ารู้แบบสงสัยเนี่ยก็ไม่ใช่ถ้ารู้แล้วยังภาคไม่หยุดเนี่ยไม่ใช่นะแต่มันจะภาคของมันเองก็ปล่อยมันมันจะคิดของมันเองก็ปล่อยมันเราเพียงแค่ตามรู้มันนะแค่รู้ทันมันมันจะค่อยๆลดลงไป หรือบางทีมันติดอารมณ์นะติดอารมณ์นะอยากบอกอยากสอนอยากช่วยคนอื่นนะวิเคราะห์วิจัยธรรมะนะเรียบเรียงธรรมะอะไรต่างๆเทศอ่านในใจไปเทศสอนคนอื่นน่ะมันติดอารมณ์นะก็กลับมารู้สึกตัวนี่แหละนะกลับมารู้สึกตัวกลับมาหาฐานกายให้มั่นนะกลับมาหาฐานกายรู้สึกซื่อรู้เฉยๆเลยนะมันจะค่อยๆบุญจากอารมณ์นั้นนะเพราะอารมณ์นั้นมันจะเจอได้นะ บางทีก็เจอด้วยความคิดนะแม้คิดในทางที่ดีคิดในเชิงธรรมะยิ่งคิดดีคิดธรรมะนะ่ะใจเริ่มฟูนะมันจะเห็นใจเริ่มฟูโอ้ไปสอนคนอื่นนี่ก็เริ่มฟูขึ้นนะอะไรน่ะพอเห็นใจมันเริ่มฟูพอกลับมาอยู่กับตัวนะมันจะเริ่มเออกลับมาหนะ่ะอะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาสู่ความเป็นปกตินะหาความเป็นปกตินะั้น ใจที่อยู่จริงๆคือกลับมาหาความเป็นปกติอันนี้คือในระหว่างการปฏิบัตินะมันก็จะมีตัวล่อตัวหลงตัวชวนให้เราหลงทางให้เราติดข้องอยู่ะล้วก็กลับมาตรงนี้แหละนะพอกลับมาตรงนี้แม้มันรู้สึกตัวถูกแล้วนะเข้าที่เข้าทางแล้วแต่จิตที่มันสั่งสมความเคยชินนะ จะเป็นที่เรียกว่าภาษาพาดเรียกว่าอนุสัใสนะเป็นแบบอาจจะยิ่งกว่าสันดาลเนีมันเป็นความเห็นผิดที่ละเอียดขึ้นได้เลยนะมันต้องแบบรู้แบบบ่อยๆรู้แบบทีๆนะมันต้องแบบเหมือนคลนะ้ายๆเหมือนเราซักเสื้อผ้านะนะต้องขยี้ต้องขยี้ต้องขยี้นะนะล้างกลางนะมันต้องแบบนะบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะมันถึงจะสะอาด ความรู้ก็เหมือนกันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะค่อยเก็บรายละเอียดความหลงผิดเก็บรายละเอียดนะความพลาดไปเรื่อยๆนะมันก็ทำไปเรื่อยๆนะเหมือนคล้ายๆนะช่างแกะสลักไมนะ้เขามีท่อนไม้ แ, แรกๆก็ต้องแกะให้มันเป็นโค้งก่อนนะจะเอาให้เนียบทีเดียวไม่ได้หรอกแกะเป็นโค้งก่อนจะแกะเป็นรูปอะไรนะ แกะเป็นพระพุทธรูปก็ต้องทําเป็นโครงก่อนนะอย่างไรครันนี้ก็ค่อยมาได้เก็บให้มันเข้าเข้ารูปเข้าร่างนะแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะตาจมูกปากเป็นแบบไหนะจีบอนเป็นแบบไหนเท้านิ้วเป็นแบบไหนค่อยๆเก็บรายละเอียดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆส่วนเบ้าส่วนโค้งแบบไหนถึงจะดีนะเราก็เหมือนกันค่อยๆเก็บรายละเอียด มันจะหยาบๆรู้แบบหยาบๆรู้แบบข้าวๆไปแล้วคนนี้ก็จะค่อยเห็นรายละเอียดที่มันผิดรายละเอียดที่มันหลงนะที่คิดว่ามันงามแล้วดีแล้วนะมันก็ค่อยเห็นอ๋อค่อยๆพัฒนาไปนะนะความหลงเนี่ยมันละเอียดมากนะเนีน่ยคือสติความรู้สึกตัวมันจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆให้เราเห็นแม้แต่ตัวผู้รู้นะ ไม่แต่ตัวสติเองไปยึดก็ไม่ได้นะแต่ไม่สร้างเลยก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าไปยึดมากมันก็จะเป็นการประคองนะเป็นความหลงนะอีกแบบหนึ่งนะมันก็จะค่อยๆพัฒนานะย้อนกลับมาเข้ามาเห็นนะเห็นว่ามันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเอาไม่ได้นะพระอเจารท่านสอนนะ สัพเพธรรมานาดังอภินิเวสายะะทำทั้งหลายทั้งปวงก็มีควรยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ใช่บอกว่าอากุศลทั้งหลายมีคนยึดมั่นถือมั่นกุศลทั้งหลายควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ต้อบอกทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมทั้งหมดนะทำที่เป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นกลางๆนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี แต่ไม่ใช่ว่าไม่ทํากุศลนะทํะากุศลละอกุศลสร้างสติที่เป็นกลางๆนะเป็นผู้รู้ธรรมนาแหละแต่ทําแล้วแบบทําแล้วก็วางนะทําแล้วก็วางอย่าไปยึดอะไรมากนะเหมือนเราหายใจเข้านะหายใจเข้าก็หายละนะถ้าเราไม่วางการหายใจเข้านะก็หายใจออกไม่ได้นะ่มันต้องทําแล้วก็วางนะอันนี้คือเหมือนเราทํางานนะเราใช้มือนะ เราใช้มือแต่เขียนอย่างเดียวเนี่ยเราก็เอามือในนียไปทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราไม่ยอมวางปากกาเราต้องทำแล้วก็วางทำแล้วก็วางนะมันถึงนะจะเป็นการนะเรียกว่านะปฏิบัติธรรมเนานะก็พูดนะให้ฟังนะจากประสบการณ์ที่ที่ลองผิดลองถูกก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็ตนะั้งใจทำนะเดินทางเส้นนี้เนาะก็ พวกเราก็เป็นเพื่อนนะร่วมกันเดินทางเนาะอ่านะช่วยกันบอกช่วยกันเตือนช่วยกันเป็นกำลังใจเนาะนะทางเส้นนี้นะพระพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านเดินก่อนเราท่านบอกเราไว้นะขอขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านเนาะต้องใช้ความเพียรนะมีความตั้งใจเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์นะในตอนนี้นะทุกคนทุกท่านได้วยนะเอิดเจริญพร